เ่องพังที่ครบคะ่ะเราก็ได้ปฏิบัติธรรมกันไปตามรูปแบบของรายการสัมมนาสนท น, นานะคะตอนนี้ก็ได้เวลาไปกราบน้อมักการท่านไผบูร์หรือว่าพระไผบูนอภิปุนโนจากวัดป่าดอนายโศกอุดรธานีคะ่ะช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะกราบน้มสักการกท่านคะ่ะเทพร์ค่ะก็ต้องบอกท่านผู้ฟังนะคะว่าดิ่ฉันเองเนี่ยพอ ลงจากเครื่องบินนั่งรถมาถึงบ้านปุ๊บเก็บข้าวของเสร็จก็มาบันทึกเ ท, กทปเลยทันทีเพื่อที่จะให้ทันอออากาศมาพบกับท่านฟังนี่แหละนะคะเป็นการเดินทางกลับจากประเทศรัสเซียที่ไปร่วมประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเชียและแปซิฟิกหรือที่เราเรียกกันว่าเอเปครั้งที่20สิที่นครวลาดิวอสตอกที่รัสเซียจริงๆแล้ว เป็นเกาะ เ, เล็กๆกันค่ะพระอาจารย์คะคื อ, อเขาชื่อเกาะร<อ>ัสกี้อยู่ใกล้ๆเมืองวลาดิวาสตองในบนเกาะไม่มีอะไรที่มีมาแต่ในอดีตนอกจากต้นไม้กับธรรมชาติแต่ว่าเขาสร้างขึ้นมาใหม่คือเป็นมหาวิทยาลัย<อ>สำหรับให้ผู้นำมาประชุมแล้วก็เมื่อเสร็จกิจนี้นะคะก็จะกลายเป็นตัวมหาวิทยาลัยกับบรรดาหอพักต่างๆ อย่างผู้ห้องพรกของผู้นําทั้งหลายนี่ก็เป็นอนาคตหอพักของนักศึกษาค่ะอืมก็<น>ประชุมกันค่ะในสมัยพุทธกาลก็มีประชุมเหมือนกันนะอย่างไงนะครับท่านเอออย่างอย่างอย่างตอนที่อก็เรียกว่าประชุมสงครั้งแรกอนะเตอนนั้นก็คือที่นั่นก็ไม่มีอะไรเป็นป่าไผ่ธรรมดาค่ะเป็นป่าไผ่ที่ไม่มีอะไรก็ประชุมกันใต้ต้นไม้สมัยพุทธเจ้า การประชุมในสมัยของพระพุทธองค์นี่เกิดขึ้นบ่อยไหมคะก็มีอยู่เรื่อยๆแต่ครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือตรงที่เรามาเรียกกันว่าเป็นวันมรคาบูชาที่เขา<อ>เรียกมีการแสดงโอวัพบปติโมกะน ะ, ะตอนนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วได้ห8แดสามก็ประมาณสักไปอีกครึ่งปีหกเจ็ดเดือ น, นจากเดือน6กไปเดือนแปก็สองเดือนใช่ไแปดละเก้สิบสบสองหนึ่งสองสามก็ประมาณหก เเดือนพอดีเก้าเดือนหลังจากที่ตรัสรู้ก็จะมีพระสงฆ์ที่เป็นพระอรันเนี่ยหนึ่รูปพอดีรวมพระองค์ด้วยก็เป็น1251งองรอยาสนนั้นก็ประชุมครั้งแรกแล้วการประชุมครั้งอื่นๆก็มีเรียกประชุมเอาให้เรียกประชุมพิสจารณาแวดนี้เมาประชุมกันหรือว่าตอนก่อนปรินิพพานก็เอาให้เรียกประชุมพิสาจนาทั้งหลายมาฟังตาม แดีวเราจะเธอจะแยกกันจำภาษานัเราจะจำภาษาที่นี่อย่างนี้ก็มีมการประชุมนี่คือการแสดงธรรมการฟังธรรมมีทั้งสองรูปแบบคือ ค, คนทั้งหลายแหละเนี่ยเขาไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เพื่อฟังธรรมะอยู่ดีนะคือบางคนมีความทุกข์มีเรื่องมาฟ้องอย่างนี้นะสุดท้ายก็ยังได้ธรรมะ ก, กลับไปก็ก็เป็นลักษณะที่ว่าเออมาประชุมกันเนี่ยนะเจอเจอกันเนี่ยนะ เ, เรามาฟังธรรม ทาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็แหม บ, บริษัทของประชจ้านี่เงียบมากนิ่งมากไม่มีอะไรมาเ อ, อิกอารเฮฮาไม่เป็นอย่างนั้นคือถ้าพูดถึงการประชุมถ้าตามมาตรฐานทั่วทั่วไปที่เขาทํางานกันอยู่เนี่ยเขาก็จะมีประธานในการประชุมกับมีองค์ประชุมคือผู้ร่วมเข้าประชุมอ ม, มีเลขาของการประชุมที่คอยจดบันทึกกันเนาะจดบันทึกแล้วก็คอยรายงาน่าเรื่องต่างๆ ของระเบียบวาระนะคะให้กับผู้เข้าประชุมได้ทราบทีนี้ถ้าการประชุมเปรียบเทียบกับครั้งพุทธกาลนะคะอพอจะเปรียบกันได้ไหมคะว่ามีคล้ายๆกันยังไงไม่เหมือนกันยังไงแล้วถ้าจะว่าไปเอาหลักธรรมะของพระพุทธองค์มาใช้ในการที่เรามีการประชุมเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีบ่อยนะคะใช่เรก็ในในสมัยพุทเจ้านี่ก็จ ะ, พ, ะพุทธเจ้าพูดถึงการหมั่นประชุมกันนึ่งนิด แต่เพราฉะนั้น<ช> ถ, ถ้าเราประชุมกันนึงนิดเริ่มประชุมพร้อมกัรเลิกประชุมพร้อมกันนะ<ช>อันนี้จะทําให้หมู่คณะนี้สามัคคีนะคือคนมาเลทเราก็รอแตนะถ้าคนจะรีบกับก่อนก็รอนะเพื่อให้ทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ย<ช><ช>ถ้าเริ่มเลิกพร้อมกันนี่คือหลักการของพุทธเจ้าคือหมายความว่าเป็นหลักการที่ทําแล้วเราจะเกิดความสามัคคีกันนะ ถ, <ห>ถ้าถ้าไม่ได้ทำเนี่ยความสามัคคีก็จะลดลงไปอันนี้คือหมายว่าไม่ใช่เป็นการบังคับไม่ใช่เป็นวินยัย แต่ว่าเป็นเป็นกระบวนการที่รุเจ้าได้อให้ข้อมูลไว้นะว่าจะเป็นไปเพื่อความสมัครใอันนี้สองประเด็นตรงนี้ท่านคะในส่วนที่ผ่านเป็นเนี่หมายความว่าอประชุมบ่อยๆเป็นอย่างนึงนิดนะคะอย่างนิดประชุมให้มาพอค่ะแล้วก็เริ่มพร้อมกันพร้อมๆกันได้ทีนี้ต้องทําครบสองข้อถึงจะทําให้ความสมัครใดีอ๋อใช่ใช่ 3 า, าข้อนี้เลยสองข้อนี้น ะ, ะแล้วที่คุณโยมติ๋วพูดถึงว่าใครมีคนกันจดบันทึกไหมมีประธานที่ประชุมนะก็ในสมัยรัชการก็มีท่านพระอ น, นุนเนี่ยเป็นเหมือนกับเลขานุสรณ์ผู้รุ่นเจ้าที่คอยจดจําเรื่องราวต่างๆนะมีการประชุมตรงนี้พระอ น, นุก็จดจำเอาไว้แต่ก่อนหน้าที่จะมีพระอ น, นุนนะคือภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าพู้รุ่นเจ้าจะพูดอะไรเนี่ยนะจะคอยจ้องจำจำคำผู้รุ่นเจ้าไว้ตลอด ตรงนี้ก็คือทุกคนเหมือนกับจดบันทึกในสมองตัวเองตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ะอย่างตอนที่ทําสังคายนาขั้นแรกเนี่ยอ้าวพระองค์นี้พูดนี้ขึ้นมาทุกคนจําได้ตรงกันไหมตรงกันผ่านประเด็นนี้เห็นรองกันไม่ไม่ตรงกันแบบเชนะถูกว่าง่ายคนนี้จําได้คนนี้ตอบมาอย่างนี้ก็เลยเป็นกระสับแต่ละคนแต่ละคนก็ช่วยกันจําช่วยกันจํำแล้วพอมีการประชุมกันเสร็จปุ๊บเราก็ทวนการสอบการว่าอันนี้ถูกต้องไหมที่ถูกเป็นอย่างนี้เธอเห็นว่าง่ายฉันเหน่างี้ อ๋อจริงๆเป็นงนี้นะอ๋อมันลงกันได้เข้ากันได้ระลักการอาอย่างนี้สรุปผ่านไปเนียเพราะฉนั้นที่คุณยมติวบอกว่ามีทั้งเลขามีมีทั้งประธานมีแล้วประธานเนี่ยต้องเคารพประธานมากนีนคืออย่างในเวลาประชุมเนี่ยประธานว่าอะไรเราก็ต้องเคารพตามกฎเกณฑ์นั้นในในลักษณะของที่ประชุ ม, มนะถ้าเราไม่ร่วมเลยพิกษุพู่นเป็นเทระนีอันนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยประการที่3านีนที่ว่าจะทําให้หมู่คณะเนี่ยมีความสามัคคีแล้วก็อยู่กันเป็นาสุขได้ ไม่ไม่ล่วงอะไรนะคะไ ม, ไม่ล่วงเอ่อเขาเรียกว่าเชื่อฟังภิกษุผู้เป็นเถระอ๋อค่ะก็คือผู้ที่เป็นประธานในที่ประชุมอ่าถ้าประธานบอกเงียบพ่อมันมันต้องเป็นอย่างนั้นนะค่ะอ่าดิฉันคิดว่าทุกคนฟังมาถึงตอนนี้อาจจะนึกถึงการประชุมที่เดียวกันหมดเลยนะคะ <laughs> <c oughs> คือการประชุมสภาไม่เห็นเป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่ามีถ่ายทอดให้ดูอยู่สมแมแม้แต่ใน ในสมัยพุทธกาลเองแล้ว ก, ก็มีที่ประชุมที่ไม่เป็นแบบที่พระเจ้าบอกก็อย่างเวลาที่พระเจ้าพิมพิสารประชุมที่จะตัดสินคดีความอย่างเงี้ยเนะเอาเวลาเขาเชียร์คดีกันเนี่ยแหมคุณยงเต๋วแม้ในสมัยปัจจุบันก็ยังมีนะไปเชียร์คดีหรือใครตัดสินความอะไรมีหลักฐานนี้มาเนี่ยมันเสียงเฮ่ขึ้นมาหรือว่าเคยเซงแซ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยต่อให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพยายามบอกให้เงียบ เสียงนั้นก็ยังมากรบเสียงของพระชาพิมพิสารอยู่ดีนะต่อให้ขนาดพระชาพิมิสารเนี่ยเป็นพระราชานะคุณโยมติว่วสั่งเป็นสั่งตายใครได้นั่นแนหะสิะเออยังมีประชาชนมากทําเสียงเฮ้ขึ้นมาแล้วก็กรบเสียงของพระองค์นะนั่นนั่นคือทําให้ประชาพิมพิสารเนี่ยยกย่องบรุระเจามากว่ามีบริษัทที่เงียบเสียงมากค่ะทุกคนฟังพระเชาหมดนะแม้แต่เสียงก็ไม่มี ทุกคนนิ่งมากเลยพอมีเสียง <c oughs> ขึ้นปุ๊บเขาจะเอาเข่าส ก, กิดแล้ว อ, อย่าทําเสียงนะจะฟังว่าผู้เช่าจะว่าอะไรนะคือเคารพกันมากขนาดนี้นะในในที่ประชุมสงฆ์แม้ในปัจจุบันเนี่ยถ้าอย่างครูบาอาจารย์เราพูดอะไรเราก็อ่าตามนั้นนะบอกหยุดก็หยุดเลิกก็เลิกการทำก็ทำอย่างเงี้นะนอกจากนี้หลักการประชุมของสงฆ์โดยเฉพาะที่พระพุทธองค์ได้ทรงทําให้เป็นตัวอย่าง ที่ควรจะคำนึงสําหรับผู้ที่ต้องเข้าประชุมกันทั้งหลายในยุค ป, ปัจจุบันนี้มีอีกไหมคะมีเรื่องของอธิกรณ์ที่สําคัญมากๆเลยนะอธิกรณ์คือเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่จะต้องมาคอยประชุมตกลงกันนะนะอธิกรณ์นี้ก็ต้องมีองค์ที่องค์ประกอบของอธิกรณ์เขาเรียกว่าองค์ประกอบที่มีเรื่องราวที่ต้องทำนะํำจะเป็นกิจวัธรรมอย่างรับประทานอาหารอย่างเงี้ยแค่ไปบินตบาเนี่ก็เป็นอธิกรณ์ที่ระ ง, งับได้ด้วยการไปทําพร้อมกัน ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องมีการมีกิจกรรมในวัดนะอย่างการไปบิณฑบาตการมารับประทานอาหารฉันอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชุมอย่างหนึ่งกันนะเป็นการประชุมเพื่อทํากิจชนนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วอย่างการประชุมสงฆ์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่จะทําเพื่อระงับอธิกรณ์อธิกรณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แบบมีการโจทกันว่ากันนั้นไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวยังรวมถึงมีกิจของสงฆ์ที่ต้องทําอะไรต่างๆก็เรียกว่าเป็นอธิกรณ์ได้เหมือนกันแล้อย่างกรณีของมีกิจของสงฆ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ย ก็วิธีระ ง, งับอธิกรณ์คือมันแล้วแต่แบบนะอย่างการประชุมเนี่ยคือประชุมเพื่ออะไรแตนะ่ถ้าประชุมเพื่อทํากิจเอาคุณทำเลยจบก็คือไปทํากิจแล้วจบแต่ถ้าประชุมเพื่อที่จะตัดสินคดีความเอามันต้องคดีความแบบไหนแตนะ่ถ้าเป็นเรื่องการวิวาทกันเอาทุกคนต้องพร้อมหน้านะมีฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยนะแล้วก็มีฝ่ายที่เป็นทรรฝ่ายที่เป็นวินัยฝ่ายนะบุคคลมาพร้อมหน้ากันนะพร้อมหน้ากันเสร็จแล้วแตนะ่ต้องมีบอกกล่าวกับที่ประชุมยังไงบ้าง นะหรือว่าการให้ทําตามมติบังคับยังไงนะแต่และก็ต้องมีแต่ละแบบแต่ละแบบนะแยกแๆกันไปซึ่งตรงนี้ภาษาพราะเขาจะเรียกว่าอธิกรณะสมถะเจนะ็คือวิธีที่จะระ ง, งับอธิกรณ์เจแบบนะ ค, คือหมายกับว่านี่คือวิธีที่ระ ง, งับ7จ็ดแบบนะแต่การประชุมเนี่ยมีประชุมด้วย4ลักษณ ะ, ะนะประชุมด้วยการที่ตัดสินเรื่องวิวาทกันในเรื่องทำวินัย สองประชุมเพื่อที่จะตัดสินเพราะว่ามีคนมาฟ้องนะ <those. S 1> สมมุติข้อแรกเนี่ยวิวาทาที่ก่อนเนี่ยคือประชุมเพื่อที่จะตัดสินวิวาสในเรื่องธรรมเรื่องวินยัยเช่คน Rose, คนนี้เห็นว่าเป็นอัตตาค น, Rose, คนนี้เห็นว่าเป็นอนัตตาอ่านี้มาประชุมแบบนี้นะประชุมแบบที่สองคือประชุมที่จะมีคนโจทย์ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้ผิดอันนี้คือประชุมแบบที่สองนะประชุมแบบที่สก็คือว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยร่วงละเมิดสิขาบทแต่ว่าไม่ได้มีใครมาโจทย์นะคือเจ้าตัวไม่มา นะก็ประชุมชแบบที่สามนะบระิการประชุมแบบที่4ี่ก็คือว่ามีกิจที่ต้องทําเกิดขึ้นอันนี้ก็อย่างเช่นว่าทำความสะอ า, วาดวัดมีไปฉันข่าวพวกนี้เป็นลักษณะทั่ ว, วไปอย่างนี้นะเราก็บางทีก็อาจจะมีการประชุมหลายๆวาระในครั้งเดียวกันวาระนี้อทําเรื่องนี้วาระนี้พิจารณาแบบนี้ก็จะต้องครบองค์ประกอบตามที่พระพุทธเจ้าได้มีการตัไว้นะค่ะทีนี้ อถ้าพูดถึงหลักการประชุมก็อย่างที่ท่านบอกนะคะถ้าจะให้ดีก็คือต้องอเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีเลิกเลิกและเริ่มใช่พร้มกันก น, อนอกเหนือจากนั้นนะคะสมมติว่าในที่ประชุมเนี่ยการแสดงความคิดเห็นคนจำนวนมากก็คงจะเห็นไม่เหมือนกันทั้งหมดอื ม, มีวิธีไหมคะว่า ตัดสินอย่างไรเสียงข้างมากไหม<ช>หรือว่าใช้วิธีอื่นมีมีวิธีที่เรียกว่าตัดสินตามเสียงส่วนใหญ่ เ, เรียกว่าเยปุยสิกาส่วนเสียงส่วนใหญ่ว่าไงเอาตามนั้นก็มีเพราะนั้นมันอาจจะมีการไปล็อบบี้กันก่อนก็อาจจะเป็นได้น ะ, ะว่าให้เสียงส่วนใหญ่ลงอย่างนี้ข้างพุทธการเนี่ยนะคะข้างพุทธการก็คือตัดสินตามธรรมะอย่างในสมัยปัจจุบันก็มีอย่างเรื่องการโกนคิ้วอย่างนี้ ในภิกษุส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็เอากนคิ้วได้เขาก็ตัดสินตามเสียงส่วนใหญ่ในสมัยนั้นแล้วก็โกนมาแต่ประเทศอื่นก็ไม่ทํากันเขาก็มีเยพุยสิกาของเขาก็ไม่เป็นไรเราก็ยังสามารถคีดด้วยความที่มีศีล ส, สมปันธิปัญญาเกิดขึ้นนะนี่ก็คือเรื่องของการประชุมเพิ่นคราวทีนี้าการประชุมบางอย่างเนี่ยจบด้วยการลงโทษก็มีใ น, นลงโทษให้กับผู้ที่กระทําผิดก็มีสมมุติมีการโจทฟ้อง ก, กันเรื่องความผิดอย่างเงี้ยก็ให้ลงโทษ หรือการประชุมบางอย่างจะจบลงด้วยวิธีการที่เรียกว่าเลิกพูดเรื่องนี้หยุดไม่ให้ลูกหลามนะมันคือเหมือนกับจบไปเลยไม่ต้องพูดอีกจบคือจบอย่างนี้ก็มีมไม่มีใครลงโทษก็คือเลิกแล้วต่อการไปเจ้ากันไปอย่างนี้ก็มีนะคะ ก, ก็มีหลายแบบก็คือมีเจ็ดแบบที่บอกคะอืแต่สรุปแล้วเมื่อคนจํำนวนมากอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องมีการพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนต้องรับรู้ร่วมกัน ก็จะเกิดการประชุมขึ้นนะคะแล้วมีมาเนิ่นนานครั้งพุทธการก็มีประชุมแบบพระพุทธเจ้าท่านไปบุญได้เล่าให้เราฟังถ้าว่าทุกคนเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็น่าจะเอาไปใช้ในที่ประชุมของเราจะทําให้เกิดอะไรขึ้นคะท่านคะถ้าใช้ตามนี้เออคือหนึ่งจะทําให้เกิดความสามัคคีอย่างที่เราพูดไปนะอันที่สองเนี่ย เ, ออเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น กับหมู่คณะเนี่ยนะมันจะดับไปนะคือปัญหาอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยวิธีการที่ต้องมาเจอกันพบปะเจอเจอกันเนี่ยถ้าเราระงรับตามธรรมเนี่ยนะโอ้ยเราจะเราจะเรื่องราวต่างๆมันจะไม่มีในวัดนะหรือจะไม่มีในหมู่คณะนั้นจะไม่มีใครบรรลินทารับหลังอีกคือเป็นจบแล้วคือจ บ, ะอ จ, บนะจะไม่มีใครมาหรือฟื้นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอีกคือจบแล้วคือจบนะเพราะจบตามธรรมอย่างนี้ก็มี คเนเราก็จะสบายใจมากเลยมีความสามัคคีมีความรักแท้กลมเกลียวเมาตากันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่เข้ากันได้เหมือนน้ำนมกับน้ำอย่างเงี้ยนะแล้วต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ออันนั้นเป็นแค่หนึ่งในเจ็ดแบบนะหนึ่งในเจ็ดแบบมีแบบที่ไม่ได้เคารพเสียงส่วนใหญ่ก็มีนะอ๋อค่ะมันก็แล้วแต่เรื่องเหมือนกันแล้วเราอาจจะมาะพูดถ้าต้องการทราบรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพระสงฆ์มากเกินไปนี้คือพูดรายละเอียดคร่าวๆว่าด้วยหลักการเป็นอย่างนี้ ในโคลงคงท ะ, ะงใช่<อ>ใช่ค่ะท่านคะทีนี้อสิ่งที่อยากกลับเรียนถามอีกก็คือจะใกล้เทศกาลกระถิ่นล้แล้วลที่ฉันเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามีคนเป็นจำนวนมากทีเดียวที่ฟังรายการนี้แล้วได้ประโยชน์จากประสงค์ที่ในรายการโดยเฉพาะอย่างกับพระอาจารย์เทบูนกับท่านมาร์กเลยไหมคะอย่างไรสําหรับวัดป่าดอนหายโศกปีนี้มีกระถิ่นเมื่อไหร่ครับเพือว่า ท่านทั้งหลายอยากจะได้ร่วมทําบุญนะคะ ว, วันวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่สิบ็ดพฤศจิกายนสิบเอ็ดนะคะสิบเอดใช่พฤศจิกายนวันนี้เป็นการบอกให้รู้ตัวก่อนว่าดิฉันเองเนี่ยก็เพื่อเป็นการยังไงคะทาบุญสําหรับคนที่แหมไม่มีโอกาสไปหาท่านนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนพระทราบว่ามีการจัดการปฏิบัติธรรม กันอยู่เป็นประจําทุกเดือนอแล้วก็พระอาจารย์ก็ยังให้ธรรมะกับพวกเราเป็นประจําอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวท่านฟังที่สนใจตั้งแต่วันพรุ่งนี้เันจะบอกหมายเลขบัญชีให้กันแล้วกันค่ะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องลาท่านในวันนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อน น, น, นะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเรีบานน้อมสักการค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการของเราจะกลับมาพบท่านฟังกันอีกในวันพรุ่งนี้นะคะ ตั้งแต่เวลาตี5ถึงตี5้ครึ่งกติดตามรับฟังสังสนสีสนทนาค่ะซึ่งเราเน้นหนักไปเรื่องของการสนทนาธรรมะนะคะจะได้เกิดประโยชน์กับพวกเรากันอย่างเต็มที่ติดตามรายการกันในวันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะคะวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ